ฉันทะอย่างไหนเป็นต้นตอของทุกอย่างไหนคือที่ตั้งต้นของกุศลธรรมได้อธิบายมาให้เห็นความหมายของฉันทะอย่างกว้างขวางครอบคลุมครบทุกแง่ทุกไตยยถือว่าเพียงพอแล้วก่อนจะผ่านไปขอแสดงตัวอย่างสําคัญให้เห็นฉันทะที่มาในรูปสั์เดียวกัน ในพุทธพจน์ที่แสดงหลักการสําคัญต่างกรณีและมีความหมายที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกรณีหนึ่งเป็นอกุศลอีกกรณีหนึ่งเป็นกุศลความเข้าใจฉันทะที่มาในพุทธพจน์ต่างกรณีกันนี้นอกจากย้ําความหมายของฉันทะที่ว่าใช้ได้ทั้งด้านอากุศลและด้านกุศลแล้วก็จะช่วยกระชับความเข้าใจความหมายของฉันทะ ที่ยังเห็นพระพระให้ชัดตรงและมั่นใจยิ่งขึ้นฉันทะที่ว่านี้มาในรูปสัพท์เดียวกันว่าฉันทะมูลกะแปลว่ามีฉันทะเป็นมูลคือเป็นต้นต่อหรือเป็นจุดก่อตัวเริ่มต้นพุทธพจน์ต่างกรณีที่ว่านั้นบางแห่งว่าทุกขไม่ว่าอย่างใดมีฉันทะเป็นมูลบางแห่งว่า ทาทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลสาระเป็นอย่างไรขอยกมาให้พิจารณาดูเองในยะที่หนึ่งฉันทะเป็นมูลแห่งทุกและเป็นมูลของอุปาทานขันห้าเริ่มด้วยพุทธพจน์ที่ว่าทุก์มีฉันทะเป็นมูลดังนี้ดูกระระในคามณีความที่ว่านั้น พึงทราบโดยปริยายนิว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดก็เกิดทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นต้นเหตุเพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกขอต่อด้ดยผุ้ตพจน์ว่าเบนจะอุปาทานขันมีฉันทะเป็นมูลดังนี้ในมหาปุณณมสูตรมัจิมนิกายอุปริปันธาตภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังขารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันมีห้าประการเท่านี้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันมีห้าประการเท่านี้คือรูปูปาทานขัน เวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันพิสุนั้นเชื่อชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุและทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปาทานขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นมูลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพิสุ อุปาทานขันห้าเหล่านี้มีฉันทะเป็นมูลพุทธพจน์สองแห่งนี้กล่าวได้ว่ามีความหมายตรงกันดังพุทธพจน์ในพระธรรมจักที่คุ้นกันดีตรัสแสดงความหมายไว้ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกอัรถกถาดีกาที่อธิบายความตอนนี้ที่ว่าอุปาทานขันห้ามีฉันทะเป็นมูลบอกตรงกันทุกแห่งว่าที่ตรัสว่ามีฉันทะเป็นมูล หมายความว่ามีตันหาเป็นมูลหรือไม่ก็ว่ามีตันหาฉันทะเป็นมูลและบางแห่งก็อธิบายโยงต่อไปด้วยว่าที่อุปาทานขันห้ามีฉันทะเป็นมูลคือมีตันหาฉันทะเป็นมูลก็ตรงกับที่ว่าตันหาเป็นทุกกะสมุทัยนั่นแหละฉันทะมูลกะในยะที่สองฉันทะเป็นมูลของธรรมทั้งปวง มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาแปลว่าทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหรือแปลให้เป็นภาษาไทยมากขึ้นว่าทำทั้งปวงมีความต้องการเป็นต้นกําเนิดหรือว่ามีความอยากเป็นที่ตั้งต้นข้อความสั้นๆเท่านี้ก็แสดงหลักที่สําคัญอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจและน่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งก็คือ พุทธพจน์แสดงหลักข้อนี้รวมอยู่ในพุทธพจน์ที่เป็นข้อความยาวแสดงหลักธรรมใหญ่ถึงสิบข้อจะเรียกว่าเป็นประมวลหลักการสําคัญสิบประการของพระพุทธศาสนาก็ได้มีตั้งแต่หลักปฏิบัติสาคัญไปจนถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาขอยกมาให้ทราบกันไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญะเดียรถีปริพาชกพึงถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ตั้งต้นมีอะไรเป็นที่จบเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแกอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาทาทั้งปวงมีฉันทะเป็นที่ตั้งต้นมณสิการะสัมภวาสัพเพธรรมมาทาทั้งปวงมีมณสิการเป็นที่ก่อตัว ผัสสะสมุทยาสัพเพธรรมมาทมทั้งปวงมีผัสสะเป็นแหล่งเกิดเวทนาสโมสารนาสัพเพธรรมมาทมทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมสมาธิปะมุขขาสัพเพธรรมมาทมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขสตาิปัตยยาสัพเพธรรมมาทมทั้งปวงมีสติเป็นอธิปไตย ปัญยุตตาสัพเพธรรมมาทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งวิมุตติสาราสัพเพธรรมมาทำทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นอมโตะคทาสัพเพธรรมมาทำทั้งปวงมีอมะตะเป็นที่หยางลงนิพพานปริโยสานาสัพเพธรรมมาทำทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่จบ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามดังนี้พึงตอบแก่อัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้แหละหลักธรรมชุดนี้เห็นได้ชัดเจนทันทีว่าเป็นข้อธรรมสำคัญยิ่งอยู่ในระบบการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญหรือพัฒนากุศลจนจบถึงจุดหมายจึงเป็นธรรมดาที่จะมีได้เฉพาะธรรมที่เป็นกุศลคือฝ่ายดีอย่างน้อยก็ต้องเป็นธรรมกลาง ที่มาร่วมในพวกกุศลได้เพราะฉะนั้นฉันทะในที่นี้จึงแน่นอนว่าไม่เป็นอกุศลในอัตถกาถาท่านไขความว่าทาทั้งปวงหมายถึงเบญจคันคือรวมสังคตาธรรมทั้งหมดซึ่งก็ต้องเว้นนิพพานที่เป็นจุดหมายอันเป็นที่จบลงของสังขารพึงสังเกตความแตกต่างว่าในตอนก่อน ที่ว่าอุปาทานขันห้าหรือเบนจะอุปาทานขันมีฉันทะเป็นมูลและท่านไขความว่าอันนั้นมีตัณหาฉันทะคือตัณหานั่นเองเป็นมูลแต่ที่นี่ไม่ใช่อุปาทานขันห้าหากเป็นขันห้าที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานขอพูดเป็นความรู้แทรกเล็กน้อยขันห้าหรือเบนจะขันกับอุปาทานขันห้าหรือเบนจะอุปาทานขัน ต่างกันอย่างไรมีพุทธพจน์ตรัสแสดงไว้ตัวตัดสินคือขันห้าที่เป็นสาสวะและเป็นอุปาทานิยะคือเป็นปัจจัยแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานจึงเป็นอุปาทานขันห้าหมายความว่าถ้าปราศจากอาสวะปราศจากอุปาทานก็เป็นขันห้าล้วนนอกจากนั้นมีคำพีชั้นดีกาหลายแห่ง เมื่ออธิบายหลักธรรมสิข้อชุดนี้บอกไว้ตรงทีเดียวว่าชันทะมูลกากุศลาธรรมมาเลากุศลธรรมมีฉันทะเป็นมูลนี่คือระบุว่าชันทะเป็นมูลของกุศลธรรมและแห่งหนึ่งระบุเจาะจงลงไปด้วยว่าคือกัตุ ก, กรรมมยตาชันทะซึ่งก็คือเป็นกุศลฉันทะหรือธรรมชันทะหรือจะเรียกเต็มก็ว่า กุศลธรรมมาฉันทะด้วยนั่นเอง